ณ dan นี้เป็นตอนพระปฏิคคหะพุทธเจ้าตอนนี้มันหลังจากที่คุยกันมาครู่หนึ่งพอบรรพพระจะหน้าที่ปิดวิหารภายในสงฆ์ แล้วก็นั่งสมาธินั่งพับเพียบสมาธิทำสมาธิหลับตาอยู่ช่วงคราวแล้วก็ <c oughs> ทำไมจึงมีเกจไม่เหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเกจแหลมขึ้นไปอย่างเดียวแต่พระประเจกขุตตเจ้ามีเกจแหลมมัน ก็เคารพพระบติเกตพระพุทธเจ้าด้วย คือไม่หนักใจเรื่องทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะไม่รวยก็มีพอกินพอใช้แต่ที่ <c oughs> ว่าทำไมหลวงปู่หลวงปู่จึงจะถ้าเคารพพระประติเกกุพระตเจ้าก็เป็น เพิ่งเป็นหลวงปู่ แล้วหลวงปู่ของเราก็ถามว่าท่านปู่ใหญ่ว่าแล้วพระประเจวพระพุทธเจ้าจะปั้นยังไงท่านก็บอกว่าพระประเจวพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุเองคือปราศจากครูสอนบ้าง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสมัยพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาแล้วมีองค์เดียวแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุนี่บรรลุเป็นแสนเพราะสมัยนั้นนับเป็นแสนแล้วก็ตามบาลีบอกว่าอยู่ที่พวกเขาคันธมาสแต่ถึงเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มาตามเขานิมนต์ใครนิมนต์ ไอ้ถวายปัตตาหารท่านก็รับเค้าอยากจะฟังเทศน์ท่านก็ถิดโปรดแต่ว่าไม่ แต่ว่าพระปัจเจคือพระเจ้าท่านไม่ใช้ญาณนี้ญาณนี้จึงเรียกว่าพุทธญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพระปัจเจพุทธเจ้านี่ไม่มีแล้วก็ เกรดที่แย่ก็มานี่เพราะอะไรป้ายังว่าเอางี้ก็แล้วกันขณะที่ท่านปู่ใหญ่ท่านมาบอกหลุมปู่ของหลานบอกว่าตรงนี้คน ลาภสูงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ลาภสูงพระประเจ็จพุทธเจ้า คนทําเกณฑ์ให้ต่างก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิดหน่อยคือทําเป็นแฉกออกไปจะได้สังเกตคนจะได้รู้ว่านี่คือพระประจิงพุทธเจ้าองค์นี้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองจุลัยก็ถามว่าพระประจิงพุทธเจ้านี่ราคาเท่าไหร่คุณป้าก็ยิ้มเพราะว่าหลานจะ ขึ้นชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระประเจพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีหาค่าบ่มีได้นั่นหมาย <c oughs> หนูถามว่าราคาปั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่คุณป้าก็บอกว่าว่าหลานถามถึงคุณค่าของ <c oughs> ราคาเท่าไร? เท่าไหร่หลวงปู่ถึงกับ 2 สามีปัญญาช่างประเสริฐ 4 ช่าง 8 ทั้ง ทั้งทั้งที่เขาเองก็ต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยทําเงินค่าลูกจ้างทั้งหมดไม่ใช่ยังเว้นแต่ตัวเขาเขาออกเงินค่าลูกจ้างโดยเสร็จศรัทธา มีความรู้สูงมากมากจึงทําได้ใช่มั้ยคุณป้าก็บอกว่าใช่อย่างช่างจําเริญก็ดีอย่างช่างประเสริฐก็ตามแล้ว พระภาวนาดุษดีประวะเงียบมีความ ป้าก็ถามว่าหนูเรียนจบหรือยังหนูเลยก็บอกว่าเวลานี้หนูอยู่ 4 แต่ครูบอก 4 ปีคือ ป. ความว่าเค้าจบประถม 4 คําบาปต่อมาสามัยนั้นไม่ต้องเรียน เดินไปก็ถึงถังสแตนเลสแล้วลูกนึง น้ำไฟก็ทํางานให้น้ําในถังนี่เย็นเชียบมันน้ําแช่น้ําแข็งแล้วน้ําในตู้เย็นทุกคนดื่มได้ฟรีไม่มีใครเสียค่าตังค์หนูจุลัยก็ถาม ถ้าทําไมจะจ่ายสตางค์ค่าถังลูกนี้คนละเท่าไหร่คุณป้าก็ตอบว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นคือว่าหลวงปู่ท้าวเงินของคนทุกคนทําทุกๆอย่างใน เป็นเครื่องก่อมาตั้งไว้ให้คนบริโภค จะร่วมๆตู้ทําน้ําแข็งย่อมบาทอยู่ 2 ใบเธอ ถือว่าทําทั้งวัดทุกอย่างที่มีในวัดเรามีบาท นึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําหนดรู้ลมหาย 2 นาทีเทอ สวยอารามเลยบ้าน 20 บาทพอๆเพิ่นป้าก็รับ 20 บาท หลังจากนั้นป้ากับหลานก็เดินเตาะแตะตอแตะไปหลานน่ะไม่เตาะแตะนะหลานเดินพูดปราดพูดปาแต่ป้าก็เตาะแตะตอแตะทั้งนี้เพราะอะไร มณฑปนี้เค้าเรียกว่ามณฑปพระพร้อมกับบรรดาลูกหลานลูกเขยลูกสะใภ้ร่วมกันสร้าง 2 หลัง มีพระประจิกพระพุทธเจ้าประจำอยู่เป็นรูปของว่าคุณป้าเจ้าคะพระประจิกพระพุทธเจ้าองค์ไท้ไหมองค์นี้ที่เห็นเขียน อยู่หลายทีก็ถามว่าพระปัจเจคือพระพุทธเจ้าองค์นี้รูปร่างหน้าตาลีลาต่างๆเหมือนกับพระสงฆ์ธรรมดา ตรงนี้ไม่มียอด <c oughs> นั่นหลวงปู่ท่านทําตามคําสั่งหลวงปู่ใหญ่เพราะ เป็นรูปเปรียบรูปแทนรูปเปรียบ 2532 วันนั้น 10 เมษายน ท่านก็ 4 เมษายนเวลาประมาณ 2 20:00 น. วันนั้นหลวงปู่ท่าน เวลานั้นอาการคิดขึ้นมาท่านก็นอนภาวนาบ้างพิจารณา <c oughs> <c oughs> มันนั่งอยู่บนเตียงด้านขวาของท่านใกล้ๆองค์ท่านแต่ท่าน แล้วต่อมาท่านภาวนา ที่ตอนหัวค่ําไม่ไหว้ก็เพราะว่าไม่ไหว้ไม่พูดเพราะท่านเปรี่ยมมากไม่อยากจะพูดตอนนี้เคลมไปพักหนึ่งรู้ ท่านบอกว่าต้องการมาช่วยเธออย่าลืมว่าฉันช่วยเธอนี่มานานหลวงปู่ก็ถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรครับในสมณะอดีตท่านก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยเคยเป็นพ่อเธอมา 7 ชาติท่านกระทำ ท่านก็ทํา 7 ชาติในสมัยที่ท่านแก่ลงท่านก็บอกว่าท่านทําภาพหลวงปู่ให้ดูว่าหลวงปู่เนี่ยได้ปฏิบัติท่าน ทำทุกอย่างที่ไม่เกินความสามารถทุกอย่างที่ไม่เกินความสามารถถ้า ถึงขั้นสุดท้ายถึงวาระที่ท่านท่านพาดบนตักโนดไปบ้างอะไรบ้างถึงเอาตายในระหว่างก็บอกว่าอาศัยที่เธอดีกับพ่ออย่างนี้มา ให้หายคล่องขึ้นแล้วก็ความจริงเธอนี่ ท่านก็บอกว่าฉันจะไม่ไปไหนฉันจะ การที่มาแสดงพระองค์ให้ปรากฏอย่างนี้จะให้ปั้นรูปบูชาใช่ไหมถ้าบอกใช่ขอให้ปั้นตามนี้นะปั้นห่มคลุมแบบนี้ถามนะ ก็ถามว่าถ้าเวลาช่างช่างทีนี้ก็เป็นช่างชั้น ป. 4 เป็นช่าง ให้ช่างไปช่วยก็เอาดินเหนียว TON S. กด dragging해서altung,이 expressions improved,of their Pop. TON S. jasق in mind, category that preced diminished size and patron at this from the top and molt cute painting with your original Men. TON S. textيلарhi as well, joka later uses M.ЖAR. TON S. lasted since the last one who has a moral necessity for the Pur좌. TON S. ервان would definitely zijn principe in FSP and the Pur englishge殿 is That isativist and that product has been悠 Netus keep up แม้แต่หลวงพ่อปานเองก็มีการบูชาพระเจติยพุทธเจ้ามาก่อนเหมือนกันเกญ นั่นในการก่อสร้างก็ดีความเป็นอยู่ก็ดีทั้งท่านมีการข้องตัวเกื้อพ้อ คนป้าก็บอกว่าบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไง สมัยที่มาเริ่มทําการ 100 บาทแล้วท่านก็ต้องซื้อกับข้าวซื้อกับสารฉันทั้งหมดหลวงปู่ใหญ่ก็ให้กระถาบทกระถา บูชาเวทภาวนาไว้ทุกๆวันถ้าบอกเงินก็คร่องตัวขึ้นเวลาเท่ากับถึงเวลานั้นได้แสนเศษแล้วต่อมาพอเริ่มสร้างโบสถ์ เอาจะมีความโยวสุขสุข思็นศุคจากทราบธิล์เท่าที่พอจะพึงมีกันได้นั้นไม่ใช่ลำโรยใหญ่ก็ใช้กระถามบทธินุ่มปูท่านแจกมีเวลาเจรยงกรรรษาทรันเพราะหักว่าเจรยงกรรรษาทรันเป็นที่พอใจ เวลานี้หลวงลุงอนันต์ท่านกําลังจะมาปิดประตูข้างนอกเรา 2 คนไปก็ดีกว่าคุณนะโอป้าเจ้าคะเมื่อเวลานี้คุณแม่กําลังยืน ป้ากับหลานต่างคนต่างกลับไป